Bye. จนเพนที่เคยส่องเย็นได้ลาจากฟ้าเปลี่ยนพันสายทานเวลาให้ชีวาได้มองได้เห็นสัจธรรมคือความเข้าใจในสิ่งที่เป็นใดๆ ไ, ไม่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 แท้จึงได้พบพานสู่ทางทมบันดาลในชาติสุดท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดข้องภัยสถิตไว เพียงโดนแดดจางก็พลันสลายชีวิตบอ บ, บางมากมายเพียงจำไว้ทุกวันสำคัญดีหรือร้ายประทาอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นรำลึกถอยร้อยรำพันสังคบิดาจะลึกในใจสิ แค่จึงได้พบพาสู่ทางรมบันดาลในชาติสุดท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดภพอภัยสถิตไว้ในแดนธรรมพระนารพา แทาจึงได้พบพานสู่ทางทาบรรดานในชาติสุดท้ายส่งฝาสู่ดินแดนที่หมดพองภัยสถิตไว้ในแดนธรรมพระเนรือผ่านสถิตไว้ ทิศ